เคยดูคลิปเกี่ยวกับการทดลองหรือจะเป็นการสาธิตก็ได้นะเกี่ยวกับธรรมชาติของลิงซึ่งก็บอกอะไรเกี่ยวกับมนุษย์ได้เยอะก็ลิงสองตัวมาอยู่ในกรงที่ติด ก, กันเป็นกรงที่ มองทะลุถึงกันไดนะ้แล้วก็ให้นึงสองตัวนี้ทำทำงานคล้ายๆกันก็คือว่าจะมีผู้หญิงซึ่งจะเอาก้อนหินให้กับลิงไปวางไว้ในกรง และหน้าที่ของหลิงก็คือเอาก้อนหินนั้นส่งคืนมาให้กับผู้หญิงคนนี้เมื่อยื่นก้อนหินคืนมันเป็นก้อนกลวดมากกว่านะเมื่อยื่นก้อนกรวดให้ผู้หญิงผู้หญิงก็จะให้รางวัลตัวแรกก็ยื่นก้อนหินให้ก็ได้รางวัลก็คือแต่งกวามันก็ดีใจเพราะว่า แตงกวาเป็นอาหารขอางมาันอยู่แล้วตัวที่สองก็ทํางานอย่างเดียวกันเมื่อตัวที่สองยื่นก้อนถินให้ผู้หญิงนั่นแทนที่จะให้แตงกวาก็ให้อังวนอังวนนี่มันหวานกว่าแตงกวาทั้งหมดนี้ตัวแรกก็เห็นนะอันนี้เขาก็เริ่มทําใหม่นะก็ยื่นก้อนถินให้ไปวางไว้ในเอาก้อนหินไปบางไว้ในกรง ตัวแรกก็ยื่นก้อนหินคืนมาให้ผู้หญิงผู้หญิงก็ให้แต่งกวาเหมือนเดิมอันนี้ตัวที่สองนี่พอตัวที่สองยืน่นก้อนถินให้ผู้หญิงก็ให้องุ่นเหมือนกับครั้งแรกตัวแรกเริ่มไม่พอใจแล้วนะแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งที่สาม พอตัวแรกนี่ยื่นก้อนหินคืนมาให้ผู้หญิงพอผู้หญิงจะให้แต่งกวามันไม่เอาแนละ้วมันจะร้องมันบน่นมันไม่ชอบมันมันมันจะเอาอั ง, งุ่นนะแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมนะผู้หญิงก็ให้แต่งกวามันเหมือนเดิมมันก็รับแบบเสียไม่ได้แนละ้ว ขณะที่ตัวที่สองก็ยังได้เงินเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวแรกนี่มันพลาดแล้วนะมันก็มันกระแสงความโกรธแล้วผู้หญิงก็ให้มันทํางานเหมือนเดิมก็คือยื่นกรยื่นเอาก้อนหินไปวางไว้ในกรงครานี้มันไม่ยอมนะมันไม่ยอมเอาก้อนหินมายื่นให้ มือนก็ประทวงไม่ยอมยื่นก้อนถิ่นให้กับผู้หญิงผู้หญิงก็เรียกนะก็กระตุ้นให้มันเอามาคืนให้ได้นะมันคราวนี้แหละมันก็ทํางานนี่แบบขอไปทีแล้วหลังจากพูดอยู่นานก็ยอมคืนก้อนถินให้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งผู้หญิงก็ยืน่นแต่งกวาให้ มันก็รับนะแต่คราวนี้มันรับเสร็จแทนที่มันจะกินนะมันเอาแตงกวานีิคว้างใส่ผู้หญิงเลยแตงกวามันไม่กินแล้วมันจะคว้างใส่เลยน้ำบอกกูไม่เอาแล้วการทดลองนี้มันก็มันก็จบเท่านี้นะคนทดลองนี้เขาต้องการที่เห็นว่าแม้กระทั่งลิงเนี่ยมันก็มีความรู้สึก หรือสำนึกเกี่ยวความเป็นธรรมทำงานอย่างเดียวกันแต่ได้ไม่เหมือนกันนะก็เกิดความไม่พอใจขึ้นลิงตัวแรกเนี่ยทั้งที่มันน่าจะดีใจนะที่มันได้ของกินแต่ว่ามันกลับทีแรกมันก็ดีใจแต่ว่าพอมาเห็นเพื่อนได้องุ่น ลิงมันชอบเอาเงินมากกว่าแตงกว่าก็ถือว่าได้ของดีกว่ามันตัวแรกนะรู้สึกนั้นมันก็ไม่พอใจแล้วเพราะมันรู้สึกว่ามันต้องได้เท่าเท่ากันได้เหมือนกันอันนี้เขาก็พูดว่าเออมันก็เหมือนกับมนุษย์เลยนะสำหรับมนุษย์นี่ไอความรู้สึกแบบนี้สานึกแบบนี้นเรียกว่าสานึก ของความเป็นธรรมแกได้เท่าไหร่ฉันก็ต้องได้เหมือนกันนะเราเคยคิดว่าสานึกนี้มันเกิดขึ้นแต่เฉพาะมนมุษย์นะแต่ว่าลิงมันก็มีเหมือนกันสัตว์หลาชนิดนก็มีเหมือนกันแต่สานึกแบบนี้นี่มันก็ถ้าจะว่าไป มันก็ทําให้เกิดโทษได้เหมือนกันนะเพราะว่าทําให้เป็นทุกข์ทําให้เกิดการเปรียบเทียบและความเปรียบเทียบนั่นก็ทําให้เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นที่มาของความทุกข์ของมนุษย์ที่ว่าไม่พอใจในสิ่งที่มีนะไม่ยินดีสิ่งที่ได้ มันจะไปสู่การเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีรถสองคันนะแต่ว่าฉันมีมีรถคันเดียว <Okay. S 1> คือมันจะนําไปสู่การการแข่งขันหรือเปรียบเทียบว่าแกมีมากกว่าฉันนะแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา แล้วคนเราก็ทุกเพราะอันนี้เยอะนะทำให้ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้มันก็เป็นสำนึกที่ดีอย่างเสียอย่างนะในสำนึก ความเป็นธรรมนี่มันก็มีข้อดีนะในแง่ายที่ว่ามันทำให้มนุษย์เรานะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพืนะ่อให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือเกิดการปฏิบัติต่อกันนะอย่างถูกต้องไม่ให้ถ้ยมนุษย์เราไ ม, ไม่ไม่พอใจกับการเอาเปรียบการขูดรีด คือความไม่เป็นธรรมแต่ว่าถ้าว่าเราไม่ไม่รู้เท่าทันมันไอ้สานึกนี้มันก็นําไปสู่การปลนเปลอกีเล่ได้เหมือนกันเนะขามีอย่างนี้ฉันก็ต้องมีบ้างนะแล้วบ่อยครั่งความเป็นธรรมเนี่ยสำนึกความเป็นธรรมมันก็ มันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อหลักการไปแล้วนะมันไม่จะเป็นการต่อสู้เพื่อหลักการแต่เป็นการเปิด ก, กินเหล ข, ของตัวเองคือถ้าทำเพื่อหลักการเนี่ยก็หมายความว่าถ้าฉันได้มากและคนอื่นได้น้อยฉันก็ต้องแบ่งให้แต่บางทีคนเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะเช่นคนที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้เงิ น, เ ด, นเดือนน้อยกว่าเพื่อน ได้โบนัสน้อยกว่าก็เยายามเรียกร้องว่าเนี่ยต้องได้เท่ากันสิมันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเได้มากกว่าเพื่อนเพื่อนได้หนึ่งมืนแต่ตัวเองได้สองมืนหรือ1นึงมืนห้าก็เฉยๆแล้วก็พอใจหรือว่าก็ไม่รู้สึกว่าความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้ว คือถ้าเป็นสำนึกความเป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยถือแม่ตัวเองได้มากกว่าก็ต้องไม่พอใจเพราะว่ามันมีความไม่เท่าเทียมมีความไม่เป็นธรรมยังก็ต้องหาทางทําให้ช่วยให้เพื่อนได้เท่ากับตัวหรือไม่ตัวเองก็ต้องลดลงมาเพื่อให้เท่ากับเพื่อนถ้าให้เรียกร้องให้เพื่อนได้สองหมื่นแล้วเรานะเราก็ต้องลดจากสองหมืนให้เหลือหนึ่งหมื่นเท่ากับเพื่อนน อันนี้มันถึงจะเรียกว่าสํานึกความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแต่เราก็คงรู้นะเราะว่าเวลาใครเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยมันนั่นหมายควาตัวเองที่ได้น้อยคนอื่นแต่ถ้าตัวเองได้มากกว่าคนอื่นนี่ก็จะเงียบสนิทเนี่ยเงียบปริบนะไม่เอะอะโวยวายไม่ตีโพตีภา ย, ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็น สูตรเลยนะว่าเวลาใครเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยอันนั้นก็แปลว่าเขาได้น้อยกว่าไอ้ประเทอว่าตัวเองได้มากกว่าแล้วเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อให้คนอื่นเท่ากับตัวหรือให้ตัวเองเท่าคนอื่นนี่มันน้อยมากไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยมากก็มีคนจำนวไม่น้อยที่มีมากกว่าแต่ก็ก็แบ่งให้คนที่น้อยกว่าอาจจะเพราะเมตตา หรือเพราะรู้สึกว่ามันเพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมก็ได้นี่การทดลองที่มันไ ด, ได้ได้แง่คิดหลายอย่างเกี่ยวกับตัวมนุษย์นะก็คือว่าคนเราเนี่ยนะอย่างคนเราสุขหรือทุกข์เนี่ยดีใจหรือเสียใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้อะไรมาแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรา รู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่างลิงเนี่ยตอนที่ได้แตงกวาครั้งแรกเนี่ยมันก็ดีใจใช่ไหมแตงกวาคืออาหารนะคือรางวัลนะแต่ครั้งที่สามครั้งที่4เนี่ยมันไม่มันไม่ดีใจแล้วมันไม่มีความสุขแล้วมันได้เหมือนเดิมก็ได้เหมือนครั้งแรกแต่ว่ามันเสียใจแล้วมันทุกข์แล้ว เพาะวามื่อมีการเปรียบเทียบ ว, ว่าตัวหนึ่งได้องุ่นแต่มันได้แตงกวามันก็เริ่มรู้สึกลบต่อแตงกวาแล้วมันคิดว่าสิ่งที่มันควรได้ก็คือองุ่นพอได้แตงกวาครา้งที่มันทุกข์ละครั้งที่สามครั้งที่สี่มันทุกข์ละใจคนเรานี่สุขหรือทุกข์นี่มัน มันจึงไม่ได้ว่าอยู่ที่ว่าเราได้อะไรจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรตอนที่ได้ตังกว่าครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นบวกนะนะฉันได้อาหารดีใจแต่พอได้ครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่มองตังกว่าเป็นลบแล้วมันก็เลยเป็นทุกข์มันก็เลยเสียใจนะ่าสุขหรือทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองมากทีเดียวหรือ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือต่อสิ่งที่ได้มาและมนันก็ยังเชื่อเห็นี้วว่ า, วาพอพอเป็นโปรดมากๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในความเข้าใจของมันนะมันไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวนะ แต่ว่ามันยังเอาแตงกวาขว้างใส่เราลองคิดสักหน่อยวนะ่าเออมันโง่หรือฉลาดนะที่เอาแตงกวาเนี่ยขว้างใส่ผู้หญิงคนนั้นนะคือถ้ามันฉลาดเนี่ยนะมันก็ควรจะเก็บแตงกวาไว้กินนะเพราะว่าแตงกวาีะเป็นอาหาร ซึ่งมันก็รวมันเองในสานกรณปกติมันก็ชอบกินอยู่แล้วถึงแม้มันจะไม่ได้อ ง, งุ่นนะแต่ถ้ามันฉลาดมันก็ควรจะเก็บแตงกวาไว้แต่ที่มันคว้าแตงกวาเพราะอะไรนะเพราะความโกรธความโกรธที่ทำให้นะมันลืมตัว พอมาลืมตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ไอสิ่งที่ควรจะเก็บไว้เป็นอาหารของมันมันก็คว่างทิ้งซะนะมันน่าจะคิดว่าเออนะถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้อังบนแต่ว่าแตงกวาก็ดีเหมือนกันนะมีแตงกวาดีกว่าไม่มีเลยนะอันนี้ถ้าถ้าถ้าใช้เหตุผลหน่อยนะหรือว่าใช้ปัญญาหน่อยถึงแม้จะไม่ได้อังบนแต่ว่า มีแตงกว่าก็ดีกว่าไม่มีแต่มันไม่ได้คิดแบบนั้นตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นมันไม่ได้ใช้ความคิดแล้วตอนนั้นมันใช้แต่อารมณ์นะความโกรธนะความล่มตัวความคิดแต่ว่าจะจะจะแก้แค้นนะหรือจะประท้วงก็แล้วแต่ มันก็เลยไอสิ่งที่ควรจะเป็นอาหารของมันมันก็เลยเอนะทิ้งเสียแล้วคนเราก็แบบนี้นะบางคนเนี่ยเวลาโกรธมากๆเนี่ยก็ทำลายข้าของอยากดูโทรทัศน์กำลังดูฟุตบอลนัดนะสำคัญแต่ว่า เครื่องมันรวนโทรโท ร, โทรทัศน์มันรวนนะภาพล้มนะคว่าภาพล้มนี่มันเป็นภาพมันเป็นโทรทัศน์สมัยโทรทัศน์สมัยก่อนนะโทรทัศน์สมัยนี้ไม่มีคว่าภาพล้มแนละ้วมันมีอาการแบบอื่นแทนพอภาพล้มนี่ก็ไม่ได้ดูแล้วก็ดูแบบไม่ต่อเนื่องก็โมโหนะโมโหทำไง ก็ลืมตัวก็อาจจะเอาเท้าททถีบโทรทัศน์พังไปเลยก็นด้ตกตกจากโต๊ะนี่กระแทกพื้นพังอันนี้เราว่าเป็นวิสัยคนฉลาดหรือคนโง่เนะเพราะว่าโทรทัศ น, น์นี่ถ้าซ่อมนิดหน่อยมันก็อาจจะกลับมาดีได้แต่ว่า ไอ้เพราะความลืมตัวความลืมตัวก็ทำให้คนเรามันทาลายข้าวของของตัวบางทีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยความโกรธนี่มันทำให้คนเราลืมตัวแล้วก็ทำลายตัวเองได้หรือว่าเบียดเบียนตัวเอง ประโยชน์ที่ควรได้ก็ไม่ได้เสยแล้วนะแม่ค้าเนี่ยทีนะ่อยากจะขายของนะก็ต้องหาทางพยายามพูดชักจูงให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของตัวให้ได้เพราะนั้นมาถึงรายไดนะ้แต่พอเจอลูกค้าบางคนต่อราคานะแบบ ต่อแบบกระหน่ำมากเนี่ยก็โกรธของราคาร้อยบาทนะต่อหรือย0สิบก็โกรธดา่าลูกค้าไปเลยอันนี้เรื่องโง่หรือฉลาดเนเพราะว่าถ้าถ้าฉลาดนี่ก็ต้องหาทางพยายามที่จะชักชว น, นให้ลูกค้าเนี่ยซื้อ อาจจะมิงวอนขอความเห็นใจก็ได้มีเพื่อนเขาเล่าว่าไปไปอินเดียมาแล้วก็คนอินเดียก็เอานาฬิกานะนาฬิกายี่ห้อดีเลยมาขายแล้วก็บอกว่าของแท้ของแท้ไม่ใช่ของปลอมลเพื่อนก็บอกว่าแท้แน่เลยแท้แน่สิครับ เอาหัวรับประกันเลยของแท้แล้วแต่เพื่อนเขาบอกนี่มันจะแท้ได้ไงเนี่ยผมอะนาฬกายี่ห้อนี่ผมก็มนะีแล้วก็เอามาให้ดูนะอันเนี้ยแท้แท้แน่นอนพอพอใครเดียรู้ว่าลูกค้ารู้ทันนะ แทนที่จะโกรธนะเพราะว่าขายของไม่ได้หรือรู้สึกว่ากำลังถูกต่อว่าาว่าเอาของเกมมาขายแกก็กลับพลิกเลยนะว่าโอ้ท่านนี่เป็นเป็นคนรวยนะมีของแท้นะของราคาแพงๆแบบนี้มีใสให้ผมนี่มัน ยากจนนะไม่มีอะไรจะกินนะครอบครัวก็อดอยากนะลูกก็ไม่มีตงโรงเรียนเรียนนะต้องมาขอทานนะคือพูดให้เห็นใจนะแทนที่จะโกรธที่ถูกจับได้นะก็พูดชวนให้ให้ลูกค้านี่เห็นใจตัวเองว่ายากจน สุดท้ายลูกค้าก็ใจอ่อนนะก็ยอมซื้อซื้อไม่ใช่เพราะไปเชื่อเป็นของแท้แต่ว่าเห็นใจทั้งที่รู้นะว่าพ่อค้านี่มันโกหกนะตั้งแต่แรกที่แรกโกหกแต่ว่าก็ยอมนะยอมซื้อด้วยความใจอ่อนทั้นี้ก็เรียกว่าเขาฉลาดนะ คือถึงแม้ว่าเขาจะเสียหน้าแต่เขาก็ไม่ปล่อยใจนะทําไปจมอยู่ความเสียหน้าหรือกลายเป็นความโกรธนะเขาก็พยายามพลิกสถานการณ์ใหม่นะพลิกสถานการณ์ใหม่ให้จนกระทั่งสามารถจะขายของได้แต่แม่ค้าที่โกรธนะโกรธลูกค้านะโกรธคนซื้อนะว่านะ มันลดราคาแบบนี้มันทุเล็ด่าเข้าไปเนี่ยขายของได้หรือเปล่าขายไม่ได้อันนี้เรียกว่าเพราะลืมตัวแล้วคนเรานี่พอลืมตัวแล้วมันก็สามารถจะทำในสิ่งที่โง่โง่ก็ได้ฉนันสิการที่ไอ้ลิงตัวนั้นเนี่ยมันคว้างคว้างแต่งกวาเนี่ย มันก็แสดงความโง่ของมันแล้วที่มันโง่ได้ก็เพราะว่ามันขาดสติแล้วลองดูพฤติกรรมคนเราแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเคยมีชายเดียวคนหนึ่งแกไปไปแกเป็นพ่อค้าแล้วก็ไป ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมมั้งเราจะเข้าคอสเสร็จก็ตั้งใจว่าเออกลับมาจะพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันนั่งเลิกงานแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะนั่งสมาธิแต่ว่านั่งสมาธิได้แค่วันสองวันก็พบ ว, ว่าสมาธิแตกเพราะว่าไอถนนข้างบ้านเนี่ย เด็กเอามาเล่นฟุตบอลกันเวลาเด็กเล่นฟุตบอลมันก็ส่งเสียงดังพ่อค้าคนลุงคนนี้แกก็คิดว่าเออทำไงนะจะให้เด็กนี่เลิกเล่นฟุตบอลทีแรกคิดว่าจะลงไปไล่เด็กแต่แกคิดว่าถ้าไล่เด็กเนี้ย เ, เด็กก็คงจะตอบโต้ด้วยการมาเล่นบ่อยขึ้น ยิงไ่ก็ยิ่งก่อกวนเกอก็เลยเอาอบายเนะีลงไปหาเด็กแล้วก็บอกว่าโอ้พวกหนูนี่เล่นบอล น, นี่ทำให้รนะงมนึกถึงมันเก่าๆนะถึงสมัยที่นะยังเป็นเด็กเนี่ยมันมีความรื่นเริงเอาความเบิกบานนะบรรยากาศนี่มันทำให้ ทำให้ชวนนึกถึงวัยเด็กนะก็พูดชมเด็กไปนะว่าเนี่ยดีมาเล่นมาทีหลังก็มาเล่นอีกนะแล้วก็ให้เงินไปร้อยหนึ่งนะเด็กก็ดีใจสามสีวันต่อมาเด็กก็มาอีกนะมาเล่นลุงก็ลงไปหาเด็กเราก็บอกว่าเนี่ย ขอบใจนะที่มาเล่นนะแต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเอาไปห้าสิบแล้วกันนะเด็กก็ดีใจแต่ว่าความดีใจมันลดลงจากครั้งแรกนะสามสิมต่อมาเด็กก็เล่นอีกนะลุงก็ให้ไปคราวนี้ไม่ได้ให้ห้าสิบแล้วให้ไปยี่สิบเด็กก็ ผิดหวังสองวันต่อมาเด็กไม่เล่นอีกนะลุงก็ลงไปแล้วก็บอกเนี่ยตอนนี้ธุรกิจไม่ดีเลยนะเหลือมีแค่เนี่ยที่จะให้ให้ไปสิบบาทปรากว่าหลังจากวันนั้นเนยเด็กไม่มาเลยนะทำไมเด็กไม่มามเด็กรู้สึกว่า เหนื่อยนะสิบบาทนี่ไม่คุ้มเลยสิบบาทนี่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยถามว่าเด็กโง่หรือเด็กฉลาดนะตอนที่เล่นครั้งแรกๆนี่เด็กเล่นด้วยความสนุกนะไม่ได้เงินก็ยังเล่นนะแต่ว่า ความสุดท้ายเนี่ยเด็กก็ได้เงินนะสิบบาทแทนที่เด็กจะดีใจนะเออแต่ก่อนนี่ฉันเล่นไม่ได้เงินเลยนะมาคราวนี้ฉันเล่นแล้วได้สิบบาทแต่เด็กไม่ได้คิดแบบนั้นเด็กคิดว่าเนี่ยตัวเองน่าจะได้ร้อยหนึง่งหรือน่าจะได้ห้าสิบแต่ว่าได้สิบบาทจะ็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบเด็กไม่ได้คิดว่าตัวเองได้10 บ, บาท พอเครียดตัวเองเสียเก้าสิเนี่ยเด็กเป็นไงเด็กก็ไม่พอใจก็ไม่เล่นดีกว่าอันนี้เป็นความนี่เป็นความไม่ฉลาดของเด็กนะคนไม่คนค น, คนโง่เนี่ยได้เนี่ยคือเสียส่วนคนฉลาดนี่เสียคือได้เงินหาย เงินหายก็ถือว่าเออดีนะั้นมาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางนะหรือว่ามาสอนให้เรารู้จักไม่ประมาทรู้จักใส่ใจนั่นนี่คือวิสัยคนฉลาดนะเสียคือได้คือไ ด, ได้ได้ข้อคิดนะได้ธรรมะหรือว่าได้ฝึกจิตใจส่วนคนโง่นี่ได้เนี่ยคือเสียนะได้สิบบาทก็ยังคือว่าตัวเองเสีย90 อันนี้เพราะว่านิสัยชอบเปรียบเทียบนะพอเปรียบเทียบแล้วมันทำให้เกิดความเสียใจร้อยแล้วหรือได้สิบพอเสียใจแล้วก็เลยลืมตัวลืมไต่ ต, ต, ตรองแล้วถ้าไต่ตรองก็จะเพราะว่าเอยแต่ก่อนเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่เราได้สิบบาทนะน่าจะดีใจแล้วลุง น, นี้แกก็รู้นิสรู้จิตวิทยาคนนะ ว่าคนเรามันมันมีนิสัยแบบนี้นะแานที่จะไล่เด็กนะซึ่งทำให้เกิดศัตรูนะกับเด็กก็ใช้วิธีนี้เด็กก็ไม่มาเลยหายไปเลยเพราะรู้สึกว่าไม่คุม้มค้าเหนื่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะได้มากกว่า น, นี้นิสัยการเปรียบเทียบนี่ยมัน บางทีมันทำร้ายตัวเราเองนะแล้วมันทำให้เรางโง่โดยที่เราไม่รู้ตัวทำในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยว่าเสียประโยชน์ด้วยให้ความลืมตัวเนี่ยมันมันก็ลืมตัวด้หลายสาเหตุนนะลืมเพราะความโกรธลืมเพราะความเศร้าลืมเพราะความเพราะความโลภ ก, ก็ได้เสีย ใ, ใจก็ทำให้ลืมตัวดีใจก็ทำให้ลืมตัวนะ ถูกถล้อเตลรดประมาที่หนึ่งโอ้ยดีใจขับรถนะระหว่งที่ขับรถก็ฟุ้งลอยนะจะเาเงินไปซื้ออะไรนะจะไปเที่ยวที่ไหนนะถันได้เงินเงินแสงเงินลานนะก็ขับรถไม่ดีว่รถก็เลยถลายไปชนเสาไฟฟ้าหรือว่าไปชนกับรถคันอื่นนะพิการบ้างตายบ้าง อ่ น, นี้เล่า ว, ว่าดีใจจนลืมตัวการลืมตัวนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นศัตรูเป็นเป็นอันตรายของมนุษย์นะเป็นอันตรายที่น่ากลัวกว่ากว่าศัตรูภายนอก อะไรร้เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวมีสติเราก็แก้ไขสิ่งนั้นให้มันเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้แต่ถ้าว่าเราลืมตัวแล้วเนี่ยแม้ว่าอะไรดีๆเกิดขึ้นนะมันก็ทําให้กลายเป็นเสียไปให้เราต้องระมัดระวังมากนะพยายามที่จะรักษาใจ อย่าให้มันลืมตัวไปได้ไงด่ายๆโดยเพราะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นความกวัวก็ดีความดีใจก็ดีให้รู้กวัวก็รู้นะดีใจก็รู้เศร้าก็รู้นะเพียงแค่นี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทําให้เรานะเสียผู้เสียคนได้ ก็ความรู้สึกตัวนี่แหละาล่ะอ่ ะ, ะ, อะก็เพื่อท่านนี้อากาศนะ